แฟ่เอาดีทำดีเพื่อดีสังถูกไหมว่าทำดีเพื่อดีเนี่ยเพื่อดีทำไมดัเพื่อตัวเราบ้างเพื่อเพื่อนเราบ้างเพื่อสังคมมนุษย์บ้างเพื่อเทวดาบ้างเพื่อพระอินทบ้างเพื่อพระพุทธองเพื่อพระพุทธเจ้าบ้างแต่ทำดีเพื่อดีทำดีเพื่อดีทำไมพูดอย่างนั้นหลวพอเพราะว่าคนนี้เองมันีเป็นเป็นภาริยาบุญของคนนี้เอง ดังนั้นเราเคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาลบพระธรรมเคยได้ยินไหมใช่คนระับเคยได้ด ย, ย, ยินทุกคนไหมครับเคยได้ยินเขาลบพระธรรมเขาลบที่ตรงไหน hmm. เขาลกงานลรวพระธรรมคืองานนั่นเองคือตัวเรานี่เองเป็นพระธรรมยังว่าเขาลกงานของเราเราพอใจงานนี่เราต้องทำถ้าเราไม่พอใจทำงานนี่มันจะเหนื่อยึันทันทีเลย มันจะเงนมันจะไม่เคารพงานเลยใชงไหมพระพ 101, ทุทธเจ้าพระองค์ต้องเคารพพระธรรมพระทําก็คือตัวเรานี่เงินก็มันเป็นธรรมชาติแล้วมันต so ้องเป็นพระธรรมจึงว่าคนไม่ต้องศึกษาให้รู้ดังนั้นคนที่จะเดือดร้อนเพราะคนไม่รู้จักพระธรรมไม่เคารพพระธรรมที่ไม่รู้จักพระธรรมที่ไม่เคารพพระธรรมคืออะไรเข้าใจได้คืออะไรคือรู้จักงานคือไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่คือใคร โอ้ถูกแล้วอันนี้พูดกันไปทั้งเรื่องเป็นภาษาที่จะนํามาเน้นกันนะถ้าไม่รู้จักหน้าที่กับคนถี่ผี่ไม่รู้จักหน้าที่เลยจกนรกมันก็ไม่รู้จักหน้าที่เลยเตศมันก็ไม่รู้จักหน้าที่เลยสุลกายมันก็ไม่รู้จักหน้าที่เลยเขาไม่ไม่ไม่ใช่คนนี่นะเจ้าหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนเจ้จิตเห็นอสุรเสติรักษาได้ใช่ไหม ที่ที่นํามาพูดให้ฟังวันนี้ก็พูดกันเพว่าเวลาเรามันน้อยนะจึงพูดตะโกมจริงใจให้ฟังเราจะได้ปพยายามทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องปุยยะตายายเราเคยเอามาสอนฝันเรื่องธรรมะอย่างที่นักทัณฑปีนักทัมโทนักทัมเอกเรื่องมหาปเรียนสองสามถึงเก้าเขาเรียกว่าบัณฑิตแต่คนจริงบัณฑิตในตําลาไม่ใช่เป็นบัณฑิตในตัว ถ้าหากเป็นบัณฑิตในตัวมนแล้วพวกคุณก็รู้ที่หลวงพ่อจะพูดเคยปวดไหมเคยเคยปวดเลยฐานหนูปวดเป็นไหมปวดบอยคนอืน่นๆหนูปวดไหมปวดไหมเคยกวดเป็นไหมเคยครับแล้วแล้วมันปวดได้มันดีไหมหรือมันไม่ดีปวดแล้วไม่ดีไม่ดีแล้วแล้วชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบทวกคุดูที่นี่ชอบไหม ไม่ใช่คนโอ้ไม่ช่คนอันนี้นะโอ้นั่นเลยแปลว่าเราลืมโตที่ที่ที่พูดกันฝังนี่คือพูดสู้กันฟังนะเพราพูดรดสุกันฟังมีบางทีทางภาคกลางจะพูดยังไงเราก็ไม่ทราบคือว่ายังไงที่คพ่อครับถ้าพูดว่าพูดยังไงเอาสิพูดยังไงจังสั้นนะไอ้พูดยังไงยางไอยางไงพูดไว้ยังไงครับผมเนี่วเาก็ไม่รู้ันว่าตัวควบจรงโกดไม่มี ทำไมหลวงพพูดอย่างนั้นก็พูดคนจริงให้ฟังในเรว่าสัตว์เกี่เรื่องจริงนะครับเข้าใจไหมหรือยังไม่เข้าใจาโกฎไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีมีแต่มีมีแต่หนูพูดให้ฟังสันตรงคือเ่าพูดตัวกลมจริงใจเพื่เราจะได้แนะนําวิธีกันนะมีกรไหมหรมอมีไหมมีอยู่ที่ไหน อโาโกด้ท่านโกขึ้นมาดูทำไมเฮ้ย <c oughs> ไม่มีแสดงว่าโกด้นี่ยมันไม่มีอยู่เลยนะเ <c oughs> ข้าใจไหมหนูพ่อโกดนี่ยังไม่ค่อยกระจ่งครับ <c oughs> คือแสดงว่าคนมันไม่มีโกดมันไม่มีโกดในขณะที่มันโกดเนี่เราเลินโตหรอกแสดงว่าเราไม่ได้มีปริญญาอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะ <c oughs> คือปิญญานี่เขาหมายถึงผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิต ใช่ได้ความหมายใช่ปริบปญญานี่หมายถึงบัณฑิตผู้ชายปัญญาเออเป็นมีวุฒิปัญญาพอสมควรวันนี้แสดงที่มันโกรธนั่นเราไม่มีปัญญาแล้วเราไม่มีปัญญาแล้วเราลืมแล้วไปทิ้งไว้ที่ไหนของปัญญาเมันก็ไปติดอยู <c oughs> <c oughs> ใ่ในกระดาษเห็นหเราไม่ได้เอามาไว้ที่ตัวเราเลย <c oughs> ถ้าเราเอามาไว้ที่ตัวเราแล้ว <c oughs> ถ้าเรามีที่ตัวเราแล้ว มันโกรธไม่ได้ให้จําไม่มันดีนะวลมโกรธไม่มีที่เราในขณะที่มันโกรธขึ้นมานั้นเราลืมตัวเราเราลืมลื ม, ลมดูตัวเราลืมดูใจเราเอา้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็ลองทดลองดูก็ได้เลยนี้หลวงพ่อก็เคยโกรธเหมือนกันจน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้นึกว่าโกรธมันมีอยู่ที่เราจริงๆ <c oughs> อืมบ้านหลวงพ่อดิบไม่ว่าโกรธใจหายว่าทำไมหลวงพอ่อว่าอย่างไหนตงนี้น ใจให้หน่อยถ้าพูดเป็นพักการก็ใจร้ายอะไรใจรายบ้าไม่ดีใจดีครับผมบ้านเราเขาเรีว่าใจหรียว่าใจลายไม่ใช่ไหมใครว่าใจลายได้ไม่รู้จักเข้าใจให้แท้แท้เมื่อเนี่ยเพิ่งยัามัโมกูได้กูใจให้ได้สิ่งเนี่ยก็ยังพูดได้อยู่ทันรู้ว่าจากมันใจมันให้ได้เก็บมาไว้ทํามันก็ทิ้งกระแสไปแล้วยังเอามาไว้อยู่เนอะคาว่ามันไม่ดีกครรู้จักกูใจให้เนี่ยใจมันลายนะ บ้านหลวงพ่าคันพนมาใกล้ลูกลูกหลานหลานมาใกล้ถ้าจะอะไรอย่ามาใกล้ปู่นะใจมันหายนะ่ะนี่เคยได้ยินไหมครับผมแล้วมันพูดได้แต่มันไม่รู้จักอันนี้แสดงว่าพูดได้ไม่รู้เขาว่าคนอวดดีไม่มีดีจริงๆออกมาพูดให้ฟังไม่ใช่หลวงพอจะอวดดีอเอาคนดีๆมาถ้าเรารู้จักจว่าใจมันร้ายใจร้ายนะครับใจมันรนะ้ายเดีวอย่าให้มันร้ายเท่งจะเสก็แล้วไปเ อันนี้เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่มีปัญญาเมื่อเราไม่มีปัญญาก็แสดงว่าเราไม่ใช่เป็นบัณฑิตไม่ใช่เป็นผู้รู้ไม่ใชเป็นถ้าเรารู้สิแล้วเออมันขึ้นอยากโผขึ้นมาเราก็เห็นอ๋อมาแล้วนี่แสดงทําไมเธอมันไม่ดีเราดึงหนิเราเห็นในมันอันนั้นเลยว่าหิริผมละอายเกเรใหญ่นท า, างตางภาษาธรรมะอุตปะความเกเรกลัวต่อบาปกันบาปคือมันใจร้ายนั่นเอง มันจ ะ, จะแสดงความไม่ดีให้เพื่อนฟังเนี่ยบาปเลยนะมันไม่มีหิริมันไม่มีความละอายเยิ่งว่าคนคนนั้นจะเป็นบัณฑิตไม่ได้จะเป็นผู้รู้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ดูถูกกันนะเนี่ยจะเป็นปริญญาอจากที่เราเรียนได้ใบประกาศนิยาบัตรนั่นก็ไม่ได้แต่มันได้ใบประกาศนิยาบาัตรมันได้แต่ว่าอันนั้นมันไม่เหมาะสมกับผู้คุณรู้เรานะอันนี้อยากขอเตือนพวกเราเพราะเราจะไปทํางานเนี่ยทํางานอะไรทํางานธนาคารอยู่ แล้วจะไปทำงานธนาคารต้องนิดมนวลพูดดีมาจ่ายเพราะเพราะเพราะเราทำงานตามหน้าที่ของเราแลย้ยคนอื่นจะมายุให้เรากดนะไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยหน้าที่ของคนพาลยังว่าคนที่ไม่เคารพตัวเองไม่เคารพพระคุณพระธรรมก็มีแต่เปี๊ยแผีแต่แตมานเท่านั้นแต่คนนี้เองแต่ไม่ใช่คนเป็นคือใจผีใจเปี๊ยมาเพราะมันไม่รู้จักอ้ายนั้นเองอยังได้ไห ถ้าจำได้อย่างนี้แล้วเอาไปปฏิบัติการงานดีเลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโสดาบันมุคคลหนึ่งยังมีครอบครัวมีตามประเพณีโลกแต่ไม่ตกนรกนั้นลกไม่ใช่ใต้ดินนะนั้นลกเขาไฟนันลกนี่คือไฟไม่มีแปลวไฟไม่มีแปลวจะอยู่ที่ไหนก็คือโกโกะมนะันใจรายใจหายเลยใจร้ายนะ ใจไ yup. ร่ like, ใจไร่ใจไร่ใจโคตรนี่ไปนรกเลยไฟนรกเป็นเผาเมื่อขนาดที่เราล้อเนี่ยเราเป็นสัตว์นรกแล้วแ้่เราไม่เห็นว่าเราเป็นสัตว์นรกเลยเราจะปรารถนาไปที่ไหนจะเลี่จันนรกได้ไหมเลี่ไม่ได้มืนเราก็จะเดินทางไปที่ตรงนี้แหละเราไม่รู้ทิศทางแล้วก็ไปไม่ถูกทางเลยเนี่ยหลวงพอพูดให้ฟังเลยว่ามาครั้งนี้ก่อนเตือนเป็นครั้งแรกนะเนี่ยนั่งให้เราเป็นบัณฑิตจริง ให้เป็นผู้มีภูมิความรู้ในหลักศนลปริยาตีปริยาโทสมกับความรู้ที่เราเรียนมาและก็ให้มีสมบัติคุณธรรมดีๆว่าเราเป็นมนุษย์สกผู้โตเป็นคนแท้ผมไม่ยอมเป็นสัตว์ราจารผมไม่ยอมเป็นสัตว์นรกผมไม่ยอมเป็นเป็ดผมไม่ยอมเป็นอสุรกายอย่ายอมเป็นสัตว์นรกเป็นยังไงอาจจะถามนะสัตว์นรกในใจมันร้อง คือปราถนาสิ่งนั้นอยากให้มาได้สิ่งนั้นมันไม่เป็นหน้าที่จะได้มันจะได้ทํามะศาสนาโลกมันร้อนถ้าไม่ได้เราก็ร้อนอกร้อ น, อ น, อนใจไปตกนรกแล้วเปา็าสนาโเลยเมื่อขณะที่เราทําพูดคิดอะไรไม่ระมัดระวังนั้นเราเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเพราะเราไม่รู้จะพายแล้วเราไม่สมควรพูดกับพูดไม่สมควรทำก็ทํานั่นแหละหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานแล้วจะเห็นได้ด้วยตาหลวงพ่จะพูดให้ฟังที่มันมองเห็นเคยเคยเห็นสุ น, นัขไหม หลวงพ่อบ้านหลวงพ่เรียกว่าหมาทางนี้เรียกว่าสุนักนะถ้าว่าหมาจะรู้ไหมใช่ อ, อ้รู้แต่บ้านก็เล็กหมาแต่บ้านจะตัวใส่กระเล็กหม า, า <laughs> <laughs> บ้านหลวเข่อเรียกว่าหมาคำว่าสุนักไม่ค่อยรู้ซ<อ><อ>ึ่งซึ่งรู้เนี่ย<อ><อ>มันไม่รู้จะขายนะสุนัขหมามันไม่รู้มันจะขี้ใส่ที่ที่เราเลี้ยงมันนะบางทีมันขี้ตามลานบ้านก็มีนะนี่หมามันไม่รู้จะขายเลยขี้แต่มันไม่เนียนอีกะด้วยนะนี่นะม่ขณะที่เราไม่รู้จะขายก็เหมือนกับสุนั พูดกันอย่างที่ตัวมันเมื่อทำอะไรมันทําได้ตามซอแจดันตุนักเนี clot, ่ยทําตามถนนเนี่ยแล้วแต่มันจะทําที่ไหนเนี่ยในขณะที่เราไม่มีอาานันให้เข้าใจว่าโอ้สองข้อว่านี่นี่เป็นจิตใจอันนี้มันเป็นสราริรษาเนี่ยมั้งเนี่ยมันไม่ทันตายมันเปลดเนีลยเป็นสาริรษาวันนี้เปรดมันเนี่ยเปรดนี่เขาว่าปากมันน้อยคอมันใหญ่เนี่ยเปรต ม, ม, มีมีทานเรื่องหนึ่งหลวงพ่อจะนํามาเล่าสู่ฟัง ในสมัยครั้งพระพระเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ถนนจะเปียกอุบาร์จางเกลือให้สอนนะจากจริงไม่จริงขอฟังเอาไว้มีเปีตนนอนอยู่ตามถนนที่พระพุทธเจ้าจะไปบิณฑบาตมีพระภิกษสูดตามพระพุทธเจ้าไปร้อยองค์เปียกตัวนั้นมันร้องมันหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำโอ้พระพุทเจ้าก็เลยสงสารสงสารันไ ป, ไ, ปไปถึง เธอต้องทำไงอยู่นะเขาวิ่งก็ดูที่ขนา น, น้า ม, มันไหลอยู่ที่ไนเน่ยน้ำ ม, มันมีอยู่ที่นั้นสาดีแท่ตอ น, นี้นะก็ไปพอดีไปพะนั้นน่ยน้ามไม่มีก็ล่มตูมลงไปอีกตัลวละรอ้อนมัได้กินนะ้ำทำไมถาไม่ไไม่มีน้ำเน่ไที่น้าเนี่ยมันไปที่ไหนหน้ามันแห้งเแบบ็นี่น้ามันแห้งก็เลยไม่ได้กินน้ำพอดีอ้าวถ้ามันไปที่ไหนเราแไม่ได้กินเอาพวกเราทุกองค น, นะครับมีมน้าเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพร์เลย เอาตักน้ําเต็มบาททุกองเลยติ๊กตู้จำนวนร้อยองค์ไปก็เอานอ น, อนอนลงกับนอนนะต้องไปยกก อ, อกลงองค์ที่สองจำนวนบาทลอยลูกเอาให้เปิดตัวนั่งกินเป็น ย, ยังไงอีกนึกยังมันพอจะได้ดด่นกลับไปรีมเท่านั้นเองครับนะน้ามันไม่ได้เข้าไปในท้องเลยค่าไปรีม้ยมันจนจะไปวิ่งทางบาตแล้วก็ลอยนี่เป็มันหลับนะสิบม่นนพอคือเหมือนกับเราทํางานนี่เหมือนกันคือเราทํางานด้านนี้อยากได้ด้านอื่นเนี่ยเป็ดแตมันปิดเปแล้ว เราอย่าไปเถื่อเถยานสิ่งที่ไม่เป็นหน้าที่ของเราแล้วให้มั น, นเป็นตามทำดีเพื่อดีเท่านั้นเองเปรตเลวนะเข้าใจไหมลักษณะเปรตเป็นอย่างนั้นวันนี้อสุรกายไกลจากความจริงที่เรามาทำมาพูดมนไกลจากความจริงได้่าไกลจากคาสอนของพระพุทธเจ้าหรืออสุระอสุระตัวนี้ไม่ได้ว่าอสุรกายหรืออสุรกายอย่างไรก็ได้อสุรกายอะไแต่ว่าตามทางไกลความจริงเขาเรียกเป็นอสุรกายออนแอ คือคนพูคือคนไม่กล้าพูดคมจริงคนนี้ต้องพูดคมจริงผิดก็ต้องเป็นผิดถูกก็ต้องเป็นถูกเขาเรียกเป็นคนจริงความจริงใจมีอย่างไรหลวงพ่อมีอย่างไรมีอย่างไดให้หลวงพ่าพูดมีอย่างไดมีอย่างไรต้องพูดอย่างนั้นเลยว่าควาจริงใจมี่เงนี้ยอันนั้นเป็นมนุษย์เป็นคนแท้ลักษณะของเปรดเป็นอย่างนั้นถ้าลักษณะทำพูดคิดอะรรู้สึกตัว รู้สึกตัวอันนี้รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอันนี้เขาเรียกว่ากรรมฐานากรรมคือการกทำฐานแต่ว่าที่ตั้งคุณไปอยู่ที่นั่นก็ทํทำกรรมฐานได้กำลังเขียนหนังสือมือเราเขียนหนังสือกาลังพูดกับเพื่อนพอดีใจมันคิดขึ้นมารู้นั่นเรียกว่าตัวกรรมฐานแล้วไม่ใช่กรรมฐานจะเป็นนั่งอย่างนี้หมดทุกคนเป็นนั่งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องหาเวลา หาเวลาจะนี่ใช่เพาคุณกองทำงานของปกคุณมีกี่คนมีกองสิบสิบหกคนคี่บสกคนครับเนี่ยพวกนี้กองอยู่อันนี้อยู่ด้วยกันครับกองไหนมัมีคุณมาด้เท่าไหร่กองสิบสองคนครับโอ้ก็ไม่หลายเด็ดขาดเนใยทางานนี่ครับครับท่กรมก็ทารมนั่นเล่รมก็ห้าสิบคนได้ห้าสิบคนได้ถ้าจานวนห้าสิบคนมานั่งอยู่นี่หมดแล้วก็ไม่มีคนทำงาน ไม่มีเรื่องคนไทยเราจะอยู่ไม่ได้นะพี่ถ้าาทุกคนคนทุกคนเป็นนั่งกรรมฐานหมดแล้วไม่มีคนรักษาเลยบ้านเมืองของเราตำรวจก็ไม่มี <ś led> ทหารวางปืนหมดแสดงมานั่งกรรมฐานหลับตาอยู่หมเดเลวจะเอาทหารตำรวจที่ไหนมารักษาคนกันรักปุ้นจี้กันเดือดร้อนแรงอันนี้แต่เราขลุ่นฐานแล้วเราเข้าใจควหมายมันผิดไปแล้วจะว่ากรรมฐานนี่ไม่ได้ให้มานั่งหลับตาเนี่ยให้มานั่งเพื่อฝึกหัด บุคคลที่จะไปสอนเยวกพระเป็นผู้สอนคนค <ฮะ S 1> อันนี้เป็นเพศอันนี้ก็เรียกว่าสมมติเรียกว่าสมมติติสงฆ์สมสมบวชแล้วประึกึกแล้วก็บวชได้แต่โดวก็ไม่ตำหนินะแต่นคนไทยมาติดผ้าเหลืองกันมากเห็นผ้าเหลืองกั็ซาทุกเลยอันนี้นลวงพ่อมีนิทานเรื่องหนึ่งไม่ใช่นิทานนะอาจจะเคยได้ยินก่อนแล้วถ้าหลพ่อพูดแล้วเคยได้ยินก็นต้องทักหลวงพ่อบ้างถ้ามันผิดว้าเหลืองเป็นเครื่องมืออันลางหากินอย่างนั้น เขาถวายให้ไห้อีกทีเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยโอ้ไม้พปลว่าอย่างไรผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออาลาหากินอย่างนามเขาถวายให้ไห้อีกทีเข้าใจว่ายังไงบ้างไม่ใช่เครื่องมือ เ, เข้าใจไหมนี่ๆเราไม่ออเคยเผ้าเหลืองนี่เป็นเครื่องมือหากินคนสลาม แต่พูดยากนียแต่เราไม่รู้พระเทบบางทีเป็นผู้ร้ายขโมยตุ้นจี้มาแล้วคุบาจารุปสาบว่ให้พเราก็เข้าใจเป็นพระเคยได้ยินเรื่องไอ้แสงไหมไอ้แสงติดเป็นนักโทษยุดสะเตหิบ น, นี่เขาว่านักหนีจากตลางไปโกงหัวเป็นนักบวชน่ะเคยบวชมาแล้วคนนักโกงหัวคนเรียกติดแล้วก็บวชคนเรียกติดนล้วขอสองพระแต่เคยได้ยินไม่เลย ไม่เคยเรื่องนานเลยเนี่ยเคยได้ยินไม่นานเลยแต่ก็มีเรื่องคล้ายกันบ่อยๆครับที่เรียกว่าคุกเรื่อนจำเลยเนี่ยทศตหีบษนี้ที่มันงมนี่มันี้จังหวัชลบุรีชลบุรีเนี่ยนี้จะเรื่องจำักตหีบไปเาตจับแต่ไอ้เสงเนี่เคยเป็นนักบวชมาเคยเป็นสมถานมา แต่เราไม่รู้ตัวโกงเพราะคนเดียวอย่างที่คุณตินหลวงพ่อเนี่ยพอดีหลวงพ่ออาไปสันไอ้แสงเขาเข้ามาเอาเลยมาเอาบาสเอากดเอาอะไรโกมแล้วเขบวชไปเลยแต่พวกคุณนักโทษเขาเรียกว่าอะไรพัสดีพัสดีพัสดีเขาไปคุมพัสดีกระตาไม่ถึงเขาไปคนมคนไอ้แสงหลังนี้นไปเลยไม่รู้ตัวเลยพอดูถึงเย็นมาแล้วก็เลยไปเรียกนักโทษคขาลากไอ้แสงในแสงเคยแห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นก็จำเป็นต้องสร้างตระกูลติดตามได้หลายวัน กว่าห้าหกเจ็ดวันคือยังตามไอ้แสงทานพอดีก่อนที่ในขณะที่ทันนั้นไอ้แสงกําลังสั่งอาหารคือวันในขณะนั้นไอ้แสงเป็นกรรมฐานไปแล้วคือบ้านนั้นก็เลยทุกคนตายเยนะี่ยแถวนั้นไม่มีพระมีพระหลวงตาองค์เดียวอย่างที่หลวงพ่อเนะี่ยแหละก็ไปหาที่ไหนมานไม่ได้ก็ได้ให้หลวงพ่อองค์เดียวมาสัง่งพอดีไอ้แสงไปบล้วทุกคนก็เลยว่า คนผู้ที่เป็นพี่พี่น้องนญาติเด้อโอ้คุณตายมีบุญมากนี่ยพาทวดมาช่วยในประสบการณ์ไม่ได้ไปนิมนต์เลยท่านมาเองไงผ่ต้นในในในองการผมต้อง่าล ย, าายนพอดีก็ณิมนต์ค้าไอ้เจก็ขึ้นไปของหิวข้านี่ยไม่ได้กินข้าวขึ้นไ ป, ไปสันเลยทีเดียวสันเลยนีตำรวดติดตามไปเขาที่หลงก็ไม่เห็นเพียงเพื่อนเพื่อนร้อยกว่าตำรวดติดตามไปได้เก็บวัน ตำนวนกับเมื่ออเพียไปแล้วหลายคนกนี่ยตามถามเขาว่าเห็นพระไปนี่เห็นต า, ตามไปตามไปถามรัดลไปติเข้าไปอะคนผลสารเดียวพวกํารวนกัล้อมเลยเม้นไอ้แสงกิจเม ม, มันมีตมหนีแต่เมื่อหลักโเดี๋เขามีถ่ายรูปงเงี้ยถ้ามีรูปถ่ายรูปถ่ายไปแล้วก็มีตัตเยเขาลูกมาดูาเมนนะมทที่ในสะีบวแท้แนี่ยอะไรมีคนหนึ่งขึ้นไปแล้วพวกจานวนที่หลายหคนก็อยู่ล้อมลอมตัวกลัวไอ้แสงจะโดดหนี ขึ้นแต่ก็เอาท้ายปืนตีอันนี้โยกท้ายปืนหรืออะไรครับท่านท้ายปืนท้ายปืนเนี่ยุณอยู่ทางไหนครัผมอยู่พอกการอยู่เพชรบุรีนอ๋ออยู่ปากการเลยคุณอยู่ที่ไหนมาหาสารคามคุณอยู่ที่ไหนอยู่กรนงเทพนี่ยในลีเธีอยู่โอ้เจริญดูภาษาหลวงพ่อดีนะที่จังหวัดสารคามอาจารย์ดูดีนะเออที่ดีครับเอาท้ายปืนตีเลย ตีไอ้แสงก็ระลอกมึงเลยบัานี้คนอยู่ที่ไหนทำไมตีผ้าจะมาตีพผ้าท่นเนี่ยแี่เรียาากว่าผ้าเลยมันมันเป็นนักโทษที่คนเขาเรียกว่าผ้าได้เอันนี้แสดงว่ามันติดผ้าเลยพอดีตีขึ้นมาไอ้แสงโง่ขึ้นมาตีโง่ขึ้นมาตีโยมเขาเลยย่งมาตีผ้าจะมาตีผ้าตำรวจเลยไม่จะพาเนี่ยไอ้แสงมันหลบหนีมาจากคุกเดือนจํานะเดือนจำทนะัศ น, นีไปเลย นี่คิ่วไม่ได้เทเนี่ยมันจับผิดได้ที่มันลืมลืมลืโกหกลืมกินี่เอาแต่ว่าดีโยมก็เลยไม่ได้ดูให้ทีทุ่นก็เลยเขาจึงพูดพอดีเอ้าสันวันนี้ในแสงมันไม่ได้กินข้าวฟาดมันสาบแล้วเป็กันเลยพอกเดินทางสันเสีกนะครับไปเลยถ้ามีคนยกมือไหว้ต้องตีเอาหวายเอาไม้ตีที่ในแสง ถ้ามีคนยกมือไหว้สิอัญญาไปเตีเราต้องตีสวรรค์ยกมือไหว้ขั้นนึงหรือตีหกบาทหรือต0สิบาทเดขาไม่จำจำไม่ได้เนี่ยเขาไม่ตำรตีมา น, นี่ไม่ตีไม่ได้เนี่ยมันนี่เห็นคนมากนอัญญาไปเตงมตีเลยตำรวจตีเลยตีหกบาทเลยคงจะเจ็บนี่ยมันนี่เจ็บมามันนี่ก็ะต้อไปเห็นคนมากยกมาตีเนี่ น, นี่กันไอ้แสงเลยรรุ่นเป็นโทษของเขาเลย ผมไม่ใช่ผ้าผมเป็นนักโทษเลยเห็นโยมาผมไม่ใช่ผ้ายกมือไว้โยมากันยังว่าอยูอ่เสมอเโย ม, มติดผ้าเหลืองนี่มันสาคัญให้เราเข้าใจจริงๆนะเรื่องพระนี่ไม่ใช่หลวงพ่อาตานิร์นะจะหาหลวงพ่อตามิรหมเนี่ไม่เผู้ <c oughs> กลมจริงสุขสัญัพ อ, อันนี้ต้องแสดงว่าผู้กลมจริงสุขสัญทรัพยให้เรารู้จักพระจริง ถ้าเปรีผู้สอนสอนที่ตรงไหนการทํามาหากิจนะนั้นพอแม่ปู่ย่าตาใจเราสอนมาแล้วครูโรงเรียนก็สอนมาแล้วแม้ที่ตุ๊กแจ็เราเข้าใจผิดอย่างนึงคือพระนี่เปรีผู้สอนสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องทําบุญบุญหมายถึงอะไรบุญบุญคือกนไม่มีทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่มีทุกข์เสียแล้วเราจะมีบุญและพระสอนอะไรสอนให้ถึงจิตถึงใจอย่างที่มันเคยโกรธ เน่โกดไม่มีเนี่ยทีเดียวพ่าถานโกดไม่มีทําไมลงเพราะว่าโกดไม่มีอาโกดลองดูทีเดี๋ยวนี่ยหนูโกดได้ไหมตอนนี้ไม่กดเนี่ยหนูพอบอกให้โกดโกดได้ไหมไม่ไดีแสดงว่าโกดไม่มีที่เรานาะมันเราลูดโตมาคล้ายๆคือมีคนสองคนวิ่งมาที่ที่ไหนโรเราเดินไปมันตกหน้าเราเจ้าคนคนนั้นไม่ได้จะอยู่ด้วยเรานะแต่มันวิ่งมาจา้ะที่มันตกหน้าเราแล้วก็เจ็บเจ็บจะกระโลมเลยเราจะสู้เขาไม่ได้แล้วไปเลย เพาเขาตบหน้าแล้วแล้วหลวงพ่อว่าตบหน้านี่เข้าใจไหมครัเออเข้าใจไหมมันตีได้าแล้วครัรือพอดีเขาตบหน้าเขาหลงหลับตาเลยพราะเราลุมขึ้นไปแล้วเขาหายตัวไปไหนไหนแล้วไม่เห็นเลยเราจะสู้เขาได้ไหมอย่างนั้นสู้ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเป็นนักมวยจริงๆขึ้นในเวทีเราต้องจ้องทันทีเลยเนี่เขาจะซกเราเราก็ต้องซกต่อนีลยซกให้หลุมตาเลยโคตรสู้มันก็จะสู้เราไม่ได้นะ เราไวที่สุดเนี่ยคู่ต่อสู้ปุ๊บเสร็จตาเลยคู่ต่อสู้จะสู้เราได้ไหมถ้าเราสุกขุมตาสองตาแล้วคือไม่ได้คือไ่ได้อนี้เขาเช่นเดียวกันเนี่ยโก้ไม่ไดเลยเราไม่ต้องดูตัวเราต้องดูใจครับไปที่ไหนดูใจคาว่าดูใจไม่พูดให้ฟังยังไงแตต้องมีวิธีคือมีวิธีเคยอ่านหนังสือหลงพ่อบ้าไหมอ๋อเขาจะอ่านคือมีวิธีเดินจงกรมก็ได้คือทีแรกเราไม่รู้จักต้องเดินจงกรมหรือ ทำจังหวัดอย่างนี้รู้สึกตัวควไม่รู้มันหนีไปแล้วเนี่ยควรไม่รู้ใช่หมมันหนีไปเลยอันนี้ควไม่รู้มีไหมไม่มีแล้วจับมาไม่ได้เดี๋ยวควไม่รู้ยี่แฉ่ไม่รู้เราจะจับอันนี้มันก็รู้จับเนี่ยจับอันนี้ก็รู้คมรู้มีอยู่คงรู้นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงสติคนเราลึกได้ไหมเราลืกได้ซ้ำฟ้ัญสียงคงรู้ตรวจมันพร้อมกันทั้งหมดเลยครับดังนั้นพวกคุณทํางานอยู่ที่ อะไรก็คืองการทางประเทศแต่ส่วนการกรรมเรศก็ต้องทํากรรมฐานได้ไม่ใช่จีมาที่ว่าเนี่ยมีพร้อมแล้วศีลก็มีพร้อมแล้วศีลก็หมายถึงปกตินี่ไม่ใช่ศิลไปรักจากพระอันนั้นไปรักจากพระเขาอันสังคมศีลสมมุติศีลเขาทาอันนี้กนเขาขข ท, าทแต่ให้รู้จักสมม ต, ติอย่าไปทิ้มสมมติอย่าไปลืมมันสมมติแต่ให้รู้จักสมมุตรจริจริงๆอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่คือไอ้แสงนั่นเราพอเป็นพระจริงๆแต่เป็นพระไม่มีอุปทาน ถ้าเป็นพระอย่างที่หวงพ่อเนี่ยอันนี้ก็สมมติเคยเห็นคนบวแล้วสึกไม่เคยเห็นแน่เลยนั่นแหละบวชแล้วก็สึกอันั้นเราสมมติเฉยๆแต่พระจริงๆอยู่ที่ไหนเนะี่ยเคยรู้จักไหมพระจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองตัวเราเองอยู่ที่ไหนมีที่จิตใจมีที่จิตใจนะเข้าใจไหมพระจริงๆเนะี่ย <c oughs> เขาเมีหลักสูตรอ ย, อยู่อย่างนี้วสุ ป, ปฏิปโนโุเบปตาบาลี สุปฏิปโนพระสังโมเป็นภาษาบาลีไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาไทยสุปฏิปโนพระควโตสร์ภาษาบาลีคือผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติหนูปฏิบัติตามหน้าที่ของเราปฏิบัติดีเข้าใจไหมนั่นเหละพระคือปฏิบัติปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ใจก็ได้จะก็ว่าอยู่ใจก็ได้เพราะใจมันให้ทาดีนะ่ใจก็ได้แต่เราจะพูดคำพ้อนทุกปีเนี่ยว่าอยู่ใจ คือบุคคลที่ปฏิบัติการหน้าที่น <mash labeled> ั่นแหละชุบปฏิปโนพระควตโอสาวกสังโคแปลว่าสงสาวกของพระผู้มีภระเจ้านั้นหมูเดปฏิบัติดีแล้วนี่คนปฏิบัติดีนะครับปุจชปฏิปโนพระควตโอสาวกสังโคเป็นภาษาบาลีสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้านั้นหมูเดปฏิบัติตรงแลนคือปฏิบัติตรงต่หน้าที่ทำงานของเรายายาปฏิปโนพระควตโอสาวกสังโคเป็นภาษาบาลี แปลว่าสงสาวกของพระเวยภาคเจ้านั้นโมเดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วถ้าเราปฏิบัติออกจากทุกคือไม่ปฏิบัติเอาปฏิบัติเพื่องาน <Okay. S 1> สามิจิปฏิปนุพัควัตโตสาวกัสังโฆเบนะจาบริสามิจิปฏิปนุพัคกวัตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระเวทภาคเจ้านั้นโมเด็ปฏิบัติสมควรแล้วคือปฏิบัติสมควรคำว่าปฏิบัติสมควรคือไม่พลาดผิดผิดน้อยถูกมากอ เนี่ยฮเขาใหญ่จะมีภาพสงในแท้นีน้ยเพราะภาพสงแต่ผู้สอนคนสอนให้คนละชั่วทรรดีก็เป็นพานแล้วแต่สอนถึงจิตใจถ้าหากพวกคุณทำงานการทุกทะแนกทีเดียวตำรวจทหารครูโรงเรียนหรือผู้ใับ้านกำลังทำงานตามหน้าที่แล้วหลวงพ่อเขาอ้าใหญ่วัดสงบความสงบเนะี่ยไม่ใ่สงบอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนั่งสงบถ้าเป็นนั่งสงบแล้วอ่าแับ น, นี้เอาเอาควมจริงให้ฟังนะ ถ้าไปนั่งสงบอะลรบานีเราจะทำยังไงดีจู้คงแว่คนสงจกิงเคยทาสมาถามไห้หนูเคยนิดหน่อยเคยนิดหน่อเคยทำนะเคยนั่งสมาธิเคยนั่งสมาธเคยทำไหมยังไม่เคยเลคุณเคยนั่งหรอเคยเคยบ้างไหเคยเคยทำไหมเคยครับเาทำย่งไงน้นรับทำดูยนั่งนั่งหลบวัดให้หลูงดูทาเลยทราทำเลยเราทเลยทำเลยได้ทํางไก็ได้ทาเลยทำเลยทำเลย หายใจเข้าเลยมันหลับตาหลับตานะอ๋อ<ม>บันนี้หนูแก้คนาฬิกาเอาแขนหนูไม่เกี่ยวก็ได้เครียดนาฬิกาเอาแขอทดลองดูเพื่อจะให้เราเข้าใจนะ<ม>ยังให้ใจเข้าใจคุณค่ามันเราสอนของมกี่ยวางที่ตัว<ม>นี้ไม่ได้นะงั่งทาํากรรมฐานเลยหลับตาลองดู<ม>ทำดูเดินตาได้แล้วหนูนาฬิกาหายไปไหนเื่นที่เลยเื่อนที่เลยถ้า ผู้ร้ายออกไปจะหายถ้าคนมรรคไปหายไหมมุตแสดงว่ามันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์นะเนีย่ยหลวงพ่อไม่เล่นตำหนิแต่มันให้โทษหรือให้ขุดการหลับตานี่มันให้โทษหรืให้ขุนเราตองรูจกก้จักเพราะว่าสั้นปัญญาเลยเนระาจะไม่ใช่จะไปเชื่อคนที่ทั่วไปสอนอันนี้ว่ามันหลอกลวงกันได้หมดทิพซูลาบกสันดานนกกาหมาที่เลื่อนงูเพื่อนขี้ ลูกนกคอกผู้อยู่นอกบันซีป่าสาถีดีบน้ําติดกรลาล่างเท้าไม่ใช่ผลของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่า น, อนสอนสอนจริงแล้วเเข้าใจห ม, ม, ข, มอของคุณหลางพระพุทธเนี่ยเขาพิษสูรามกไม่หมายถึงอะไรสันดานนกกาหมายถึงอะไรเราลืมจับพิกษสูรเนี่ยฟังดีๆพิกษสูรามกสันดานนกกาหมาที่เลื่อนพระพุทธเจ้าปัญหาอย่างูเปื่อนขี้งูเปือเป่อนอุจจระ หมเพื่อนที่ลูกนอกเคาะผู้อยู่นอกบรนซีป่าซาผีดิบน้ำศิษยลาล่างเ้าไม่ใช่ผลของเราพิกษุแก่คน แ, แว่แนวโมคะบุรุษใส่ไม่ได้ยุ่ยี้บ้านเมืองเรามันมันเดือดร้อนเพราะอย่างเพราะผู้นำไงไหม<ะ>นี่ผู้นํำนี่สาคัญนําไปทางไหนมาจากไปทางนั้นเลยที่หลวงพ่อนามาเตือนเนี่ยไม่ใช่ตาหนินะมาเตือนกันเสรีให้เรารู้จักคำว่าพิกษุลาโมกันลูก พิส you know you know you know ูจแปลผู้เห็นไผ่เห็นความผิดแล้วจึงมันไม่เอามาสอนคนแล้วคนมันสอนค่ะดังนั้นน่ะถ้าเป็นนั่งหลับตาเอาสมมติหนูมีทองคําจับจักซี่กิโลห้ากิโลนะแล้วถ้าหนูเป็นนั่งอยู่ที่ถนนแล้วนั่งหลับตาเอาทองคําไปวางหน้าถนนถ้าคนไล่เอาไปเล่นหนูจะตามจับได้ไหมแล้วมันแล้วทองคําจะหายไหมหายแล้วหายจะเป็นยังไงเดือดร้อนไหมเรียดร้อนแง่นี่แหละนี่ยเข้าใจ ยังว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่อ ง, งหลักฐานแต่ว่าอาจจะสอนก็ได้สอนคนใหม่ๆแต่ถ้าหาว่าคนมีปัญญาแล้วไม่ไปหลักฐานทำไมเรียกว่าทางานไม่พลาดผิดอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นเองอปฏิบัติรู้จักหน้าที่การงานทํางานเพื่องานทํางานบูษางานหรือทํางานบูษาตัวเราก็ได้หรือทํางานบูษ า, าพระพุทธเจ้าก็ได้บูษาพระธรรมบูษาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใคร เราไม่รู้หรือหลวงพไม่รู้อันนี้แสดงว่าให้เรารู้จักพี่หลวพ่อพูดนี่พูดด้วยคมจริงใจเพราะว่าเราจะพบกันน้อยหลวงพ่อก็ต้องมีเวลาที่จะพูดให้พวกเราได้ฟังว่าต้องการให้พวกเราได้เข้าใจว่าคําสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าจริงๆนะ่ะสอนให้ทุกคนทําการทํางานไม่ได้สอนให้คนเกลียดค้านขันติมาเรืองอะไรหลวงพอพนักอดทนแล้วก็อดทนต่อการ ง, งานนะ ไม่ใช่อุดทนได้ไปนอนเลยนะ<笑>เดี๋ยวนี้อุดทนได้ต้องนอนนี่โดี๋ยวนี้อ่ะขันติควมอุดทนโสรัจจ์เลยไหมอะไรเออแล้วามาธรรมดาหน้าเรียกรกนเนี่ยจำนะโสรัจจ์ความสงบคือความสงบสงเงียบไปดีมาดีไม่ต้องไปพูดเกล嘎ละลานไม่ต้องก้าวกายอะไรมากพูดให้เขารู้จักเนี่ยคือพาแท้สอนเขาแทนไม่ใช่หนูเขเป็นพาแทนนะคือเป็นสมทุกเหมือนกันนะเป็นสมมุติ หลวงพ่อเทียนเนี่ยค่ะเจ้าอาวาสหลวพ่อเทียนเสื้อจริงหลวงพไม่ใช่หลวพ่อเทียนคือถ้าพูดตามจริงเนี่ยผผเผื่อผ้าพันเสื้อหลวงพ่เป็นเสื้อผันคือคนพังอีสานต้องเอาเสื้อคนลูกหม้อปีมาเป็นซื้อคือในเทียนเป็นลูกหม้อปีเันเลยหวงพ่อเทียนพ่อในเทีย น, น, เ, นเนี่ื้อหลวงพ่เป็นเสื้อเดินคือเื้อผันเป็นเสื้อผันพถ้าจะพูดตามเสื้อเดินนั้นเตือนตามเื้อพ่อแม่ให้น้ำล่ะ หลวงพ่อพันหรือหลวงพ่อพันแต่ว่าซื้อบัตรนี้คนรู้จักแล้วก็ตัวรู้จักหลวงพเทียนเพราะมันพูดอย่างนั้นทั้งหมดเลยเีหลวงพ่อเทียนเนาะต้นหลว่อกระรู้น่ยก็เพราะว่ามันมันสมมุติกันสมมุติกันนะให้เราเชื่อให้รู้จักสมมุติจริงๆนะหนูเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยสมมุติอันเนี่ยแต่ว่าพระจริงๆนั้นให้หนูเป็นก็ได้หนูท่าหนูทํางานทําการตามหน้าที่ไม่มีทุกแล้วนั่นแหละ ที่เราจะได้รู้จักว่าเออรพระพยทธสอนให้ทุกคนเนี่ยทําการทํำงานเกิดมาแล้วต้องรู้จักการด้วยกางานเราก็เคย เ, คยเปดพอให้รู้จักพอแม่ให้รู้จักแม่แลูกให้รู้จักลูกถ้าพอไม่รู้จักหน้าที่ของพอแล้วไปทํางานทําหน้าที่ของแม่เราผิดแล้วหน้าที่ของแม่ทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของพอทําแบันดนี้แม่อที่กลับมาทํางานหน้าที่ของพอแล้วผิดกันแล้ว ลูกจะมาทำงานหน้าที่ของพ่ อ, พอแม่ไม่ได้ผิดอนะใช่ไหมพ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่กันลูกต้องรู้จักหน้าที่กันพวกหนูพวกคุณเนี่ยไปทํางานต้องรู้จักหน้าที่ของเราทําแล้วคนอื่นจะมาชั่วเอาเป็นเรื่องของคนอื่นพูดเราทําดีแล้วทําดีให้เหมาะสมกับการงานของเราถ้าเราทําดีกับการงานของเราเหมาะสมแล้วใครจะพูดอย่างไงก็ไม่เดือดร้อนนะ ตอนตอนนี้คุณพ่อตอนที่มันมันเดือดร้อนอยู่มันเดอดร้อนเขาเรื่องอะไรเวลาเวลาปกติก็ทํางานได้และจิตใจก็สงบดีแต่เวลามีมีสิ่งมันกระทบมาแบบมีซุ้มข้าวบัญชาหรือว่าเพื่อโรงงานอะไรมันมันมันยั้งอยู่เแต่จะทํายังไงอ๋อไม่ยากเอยไม่ยากดูใจ อย่าไปดูผู้บคับบัญชาดูเพียงหน้าตาแล้วดูผู้บคับัญชาดูเพื่อน่ะให้หนูมีสติอยู่กับใจคอยใจเลยเพราะมันนักหนูที่หนูไม่ดีใจไม่สบายใจมันกดทุกไหมให้หนูมันมันมันไม่ดูใจแล้วเลยเข้าใจหมมันมันกั้นเยินเขาเขานิ่เลยคือเขามันอเขาตีหน้าแล้วเนี่ยเขาตกตาแล้วเราเจ็บแล้วเราเจ็บแล้วถ้าเราดูอยู่ที่นั่นมันไม่เข้ามาใกล้ สมมุติมีเก้าอี้ที่เดียวนะมีสองคนจะเข้าไปนั่งเหมือนคนที่เข้าไปพรอนแล้วคนทีหลังจะเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมอ่อนะี่พราะคนที่ไปนั่งได้ทีแล้วคนที่มาทีหลังมันไม่ยอมนะมันนั่งไม่ไดนะ้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหางนู<อ>มีคนรู้สึกตัวตื่นตัวมีคนรู้สึกใจตื่นใจแล้วคนไม่รู้มันนัไม่ไดอันนั้นโกรธแมันไม่รู้คนไม่สบายแต่มันไม่รู้รใช่ไหม เออไม่ไม่รู้อันนี้แสดงว่าอย่างไรไม่มีสติมันไม่มีสติก็ได้ลืมโตนะภาษาบานเขาเรียกว่าลืมโตลืลมโตถ้ารูแล้วยังโกรธหรือนะอันนี้มันโกรธแล้วเพราะวแสดงว่ามันไม่รู้มันไม่รู้ถ้าเรารู้สีแล้วจะต้ตมืออย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพูดต่อสูม้มาแล้วซกมันทันทีเลยซกใส่ดวงตาเลยเขา้าใจไม่ใช่หลวงพ่อนะเลยเพราะดีมันจะเพิกไม่ได้ต้องรู้ตัว อันที่มันโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ใจเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นตัวเนี่ยรู้สึกใจตื่นใจมันไม่รู้ตัวมันไม่ตื่นตัวมันไม่รู้ใจมันไม่ตื่นใจมันก็เลยเป็นไปตามที่เราไม่รู้นั่นเองที่ที่ผมก็พูเข้าใจไหมนี่ไปทางานไยทดลองดูนะวันนี้ทำงานก็ต้องรู้ใจนะเพื่อนเราหรือว่ผู้บคํามันซามาให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้เต้นเ้นู้จะให้มันงานข้างมือ งานที่หนูทำยันยังค้างมือหรือเคยค้างมือเอาไว้งานงานของหนูีน่ก็มีอย่านค้างคนทำให้มันหมดทำให้มันหมดไม่ทันทํำไมจะไม่ทันหมดนีวละ่ะคาโอ้ทำไมมันต้องทําให้หมันหมดนะ ท, ที่เราไม่ทันนี่ก็แสดงว่าเราละเลยต่ อ, ตอน้าที่จ้หนูจะว่าหนูทําดีก็ไม่ได้เพราะง า, านไม่เสร็จเรายินดีทํางานอันนี้แล้ว mpre. ถ้าเราไม่มียินดีก็ไม่ต้องทํางานอันนี้เรายินดีเราพอใจกันอล้นั้นเราต้องทํา คนอื่นจะไปให้เราทํางานด้านอื่นอย่างมาทำงานเราไม่เสร็จเนี่ยอื่นไม่ได้หนูต้องพยายามทำให้มันเสร็จทุกวันทุกวอย่านแล้วก็คงนะหนูทํางานหน้าที่ของหนูทุกวันทุกวันเสร็จไปถึงว่าจะเหลือยังไงแต่มาทำให้มันเสร็จมันี้่าจะร่วงเวลาใกล้อะไรกันได้งานไม่เสร็จมันก็ไม่เสร็จแล้วเพราะว่างานมันมันมีหลายชิ้นงานมันมันเสร็จในวันเดียวไม่ได้อะมันก็ะจัดกระจวันนี้ก็ต้องมีงานอันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมีงานอันนี้มาไม่ต้องงานเฉพาะวันนั้น คืองานพรุ่งนี้เราหนูจะไปทําวันนี้มันจะได้ไหมทําไม่ได้แต่ต้อง เ, เอาไปเมื่อเเมื่อพรุ่งนี้จึงทําได้คืองานวานนี้เอามาทําวันนี้เดี๋ยผิดกันคำว่าวานนี้รู้นะนเออเนี่ยแหละอย่าให้มันค้างเลยถ้าเราไปทํางานเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีงานเข้ามาเต็มอีกแล้วเนี่ยทาไม่เสร็จอีแล้วพรุ่งนี้จะไม่ทํางานวันนี้ผิดแล่เราไม่รักการรักงานเราแล้วเราลึกนะเข้าใจไหมเออเนี่ย น, นี่เปลวา่วาแสดงวันเราไม่รักการไม่รักงาน ใช่พอแล้วทํายังไงจะให้มันมันไม่เผลอสติคือคือเผลอสติอคําว่าเผลอสติเนี่ยกับกับเจ้านายว่าแล้วเรามีขันตนิมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนกันเปล่าเหมือนกันในคำพูดคือไม่ต้องขันติขันติเพื่ออ่อนนะ อ, อ, นอ่ะอนนั่นในคำพูดคือคุณอย่าไปเผล อ, อย่าไปเผลอสติดูใจเขาว่าสติตั้งนั่น เข้าใจไหมสติต <entreprene> ั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆหมายถึงอะไรมาถึงใจแน่ๆอยู่ในคือรู้รู้รู้รู้ตัวสติรู้ตัวรู้ทะลึกได้อยู่ตลอดเวลาอยจะมารู้แต่เพียแค่นี้นะให้มันรููหมายถึงจิตใจคือด้วยให้มันคือรู้ตัวเติมตัวด้วยเนื้อผู้บังคมันษาโบราณเลยสติตั้งมั่นคือมันไปตั้งอยู่ที่นั่นคือเก้าอี้เลเดียวเนี่ยเขาไปตั้งอยู่แล้ว ความหลงลืมจะไม่มีเมื่อควมหลงลืมไม่มีความดีใจเสียใจกันจกไม่เกิดขึ้นเพียงเขาพูดสมมุติขึ้นมาหมายเราคุณทําให้ดีอ่ะทําไม่ดีแล้วก็ไม่โทษอลไรเขาว่าทําไม่ดีแล้วเราทำดีเลยแล้วบ่มบวงยแล้วก็ทําดีอยู่ด้วยเนี่ยทําดีมันดีใจมันดีแล้วแบบนี้วันนี้ท่านรัชจัพูดกับนายก็ได้ไเอ๊ะงานผมหมดแล้วนะครับเนี่ยผมบอกเขาตรงๆเลยนายเขาจะคุณทำงานที่นั้นมันไม่เหมาะกับหน้าที่ของผมอย่างนี้ครับ เขาพูดสบายสบายเป็นนี้เองถ้าเรามีสติพูดเนี่ยคนถ้าตั้งมั่นต่ออารมณ์ตัวแล้วสติพูดจะไม่พาดผิดที่เราจะไปตอบเขาโกรธให้เขาแค่อ๋อ น, นั่นเหรอทุกแล้วเราต้องพูดสบายอย่าให้มีทุกข์ถ้าคนไม่มีทุกข์แล้วพูดได้สบายอยจะไปโต้เถียงอยจะขึ้นกว้วขึ้นสารจะไปว่าในคเดิมขดี ก, ก็ได้คนไม่โกรธเป็นสบายพูดได้สบายเพราะควบคุมจิตเ พ, พราะพระเจ้าจึงว่าให้เราควบคุมจิตค่ะควบคุมจิต ม, มากๆ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่พูดด้กกความจริงใจอยากให้เราแต่ใ้สักนายถ้าวันนี้พรุ่งนี้สักกี่วันห้าวันครับห้าวันมาแล้วมาเวลานี้นะครับเดี๋ยวนี้ขจวดจะไปทำงานแล้วนั่นเอครับแล้วพอแล้วี้ดเลยดูสิพอพอให้ข้อคิดเป็นเ่วงตื่นจิตสะกิใจของพวทุกคนท้ายที่สุดนี้อาจจะมาก็ไม่มีสิ่งหนึ่งแะอันใดมาตอแทนพวกใหญ่พวกหนูพวกคุณนี่เจ๊ที่ว่า ตัวพอจะคิดถึงคุณหรั